3. ทุตถุลละวาจาศิกขาบท 10. ถามพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติสังคาธทิเศษแก่ภิกษุผู้พูดเกี้ยวมาดุคามด้วยวาจาชั่วหยาบนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใคร ตอบทรงปรารบท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ท่านพระอุทายีพูดเกี่ยวมาดุขามด้วยวาจาชั่วหยาบในทุตทุลวาจาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสสมุทฐานคือ 1. เกิดทางกายกับจิต